ในยุคสมัยนี้สมัยโลกเจริญขึ้นมาความต้มตุ๋นโกหกก็ ย, ยิ่งมากตามมาเพราะนั้นถึงยังไงก็ตามเขาว่าโกหกคานี้คือความไม่จริงเรื่องที่ไม่จริงหลอกลวงเขาต้มตุ๋นเขาเอารัดเอาเปียบเขาสิ่งเหล่านี้พระพุทธเจ้าท่านมองเห็นแล้วว่าคนที่ชอบโกหกนั้นน่ะในชุมชนกลุ่มไหนก็ตามจะหาความสงบร่มเย็นเป็นสุขไม่ได้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 ท่านมีน้ำใจกันว่าบอกท่านเป็นเศรษฐี เ, เข้ามาถึงกลางเมืองแล้วออกหากินไม่ได้เอาเลี้ยงในเมืองอีกทศวรรษก็คือมีท่านมีอยู่ห้าหกโรงหกโงทานนะแตท่านตั้งไว้หกโรงทานแต่นี้พออายุท่านก็มากขึ้นมากขึ้นทรัพย์สมบัติก็มีเยอะพรานั้นท่านก็เลยตายพอตายท่านก็ไปสู่สวรรค์เป็นพระอินทร์เออขึ้นไปอยู่สวรรค์ได้เป็นพระอินทร์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 เหมือนกับเราพาไปการาบครวะพ่อแม <life> ่ของเรานั่นแหละอแต่นี้กับเมื่อเราเป็นผู้เฒ่าผู้แก่ขึ้นมาลูกหลานก็มากราบมาไหว้ aret. มาครวะพวกเราก็ให้ศีลให้พรเม learn learn. ื่อเราทําด <io> mm ีแ hmm. ล้วความดีก็จะไหลเข้ามาหาเราออยากจะให้ลูกหลานดีต้องทําดีให้ลูกหลานดูเอยากจะให้ลูกศิษย์ดีก็ต้องทําดีให้ลูกศิษย์ดูอยากจะให้ลูกดีก็ต้องทําดีให้ลูกดูอยากจะให้ลูกน้องดีก็ต้องทําดีให้ลูกน้องดู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 ทางธรรมะและลึกถึงคุณงามความดีในใจก็สบายสบายทั้งกายสบายทั้งใจเนีเพราะนั้นขอให้พวกเราคณะัทธาติโยมทุกๆ ท, ท่านนะที่มาในวันนี้หลวงพ่อให้แนวความคิดมากลากหลขอให้พวกเรานำไปคิดนำไปพิจารณาไต่ตรองเหตุและผลตามที่หลวงพ่อได้กล่าวการพูดและการกล่าวสมโภชนิยกถาในวันนี้ก็เห็นว่าสมควรกับการเวลาขอยุติด้วยอานาจคุณพระี